ตามความผิดที่ผู้นั้นทาก็เช่นเดียวกันนั่นแหละกับกฎหมายบ้านเมืองนะมีโทษหนักโทษเบาตามการกระทำของผู้นั้นเป็นอย่างนั้นถ้าว่ามีโทษกฎหมายควาเป็นบาปนั่นเองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดแต่ว่ามันแตกต่างจากกฎหมายบ้านเมือง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 สำหรับครหาสน์ผู้ครองเรือนนั่นน่ะอันนั้นใครจะสมทานปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้แล้วแต่ผู้สมัครใจแต่ว่าศีลบางข้อนั่นน่ะถ้าล่วงเข้าไปมันก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็มีในอย่างนั้นแล้วทางบ้านเมืองเขาก็ยื่นมือเข้าไปล้วอ่าถ้าไปล่วงไปมันเป็นงั้นแต่ศีลบางอย่าง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 ไม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของคนเราบะนี้เมื่อมีวินัยสำรวมวินัยด้วยดีแล้วก็มาประพฤติธรรมะประกอบเข้าด้วยบนี้ธรรมะนั้นมันก็หมายถึงไอ้ความที่การกระทำอะไรพูดอะไรนั้นต้องใช้สติใช้ปัญญาใคร่ควร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 เช่นความรักความชังอย่างนี้นะมันแรกแรกเริ่มเกิดขึ้นในจิตใจอย่างนี้เมื่อหากว่าเราระงับความรักความชังนั้นอยู่ภายในใจเลยไม่ให้มันแสดงออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้นะนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ระงับกิเลสด้วยอานาจแห่งธรรมะนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนะี่ยให้เพึ่งพากันศึกษา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 อย่างกลางอย่างละเอียดให้เบาวางไปจากกิจใจเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเน่ะพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติท ร, รมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้เต็มความสามารถของตนของตนนะเพราะว่า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 ก็ น, นับว่าเป็นลาบอันดีของพวกเราทั้งหลายถ้าหาว่าเราเกิดมาในชาตินี้นะไม่ได้มาพบาศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจะเป็นคนมืดบอดเลยไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรแล้วจะไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอน พราะใครๆก็ย่อมไม่รู้นี่อ่าย่อมไม่รู้คําสั่งสอนของผู้เทเจ้าเลยเพราะเพราะว่าไม่มีศาสนาเนี่ยอ่านั่นแหละไม่มีผู้สืบศาสนาธรรมคําสอนของพระเจ้าต่อกันมานั่นแหละเดี๋ยวว่ามันหมดยุคหมดสมัยแห่งคําสอนของผู้เทเจ้าไปดังนั้นจึงกลายเป็นคนหลงคนเมา ไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ละทั่วทำดีให้เต็มความสามารถได้บางท่านบางคนที่มีบุญมากเมื่อเกิดมาพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็สามารถกระเพิปฏิบัติอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าจนสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ก็มีมในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนั้น ท่านที่ยังไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาเป็นสมุเทเฉตทปหารได้บรรลุอริยมรรคอริยผลก็เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานี้เป็นอย่างแรงกล้าเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเมื่อไปเกิดในชาติหน้าต่อไป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 คนบางคนนะเช่นอย่างเกิดในยุคในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรานี่น่ะบางเกิดขึ้นนะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยอย่างนี้ก็มีอยู่ทมไปอ่ะไปนับถือหลัที่อื่นศาสนาอื่นนู่นอย่างนี้นหะก็เลยไม่สามารถที่จะละความชั่วทําความดี ให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรได้เลยเพราะว่ารัตที่อื่นใดนอกจากพุทธศาสนาแล้วคาสั่งสอนของรัที่นั้นไม่สามารถที่จะนำผู้ปฏิบัติให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้เลยว่าอย่างได้ดีที่สุดก็เพียงแค่สวรรค์เท่านั้นแหละแต่เท่าที่ศึกษาดูลัต ท, ที่เขาทำกันมานั้นยากยากที่จะไปสวรรค์ได้ ก็เห็นว่าเป็นลทัทธิที่สอนให้บูชายัญให้ฆ่าสัตว์บูชายัญ น, นี่การฆ่าสัตว์มันก็เป็นบาปอยู่แล้วนะมันจะไปสวรรค์ได้ยังไงอ่ะนั่นแหละเว้นเสียแต่พวกฤาษีดาบดนั่นพวกฤาษีดาบดนั้นเป็นพวกที่จําศีลห้ า, าแล้วก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์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 หากไม่สามารถจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลต่อเมื่อได้เกิดเป็นคนมาแล้วได้มาเลื่อมใสในพระพุทธศาสตร์หนานีได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนว่าเกิดเป็นสัมมาทิฐิคือมีความเห็นถูกกันชอบขึ้นในใจแล้วปฏิบัติไปตามแนวทางที่ถูกต้องนั่น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 ธรรมดาพวก เ, เัญนชาพุทธแล้วจกไม่เชื่ออย่างนั้นเลยถ้าพวกเรายังไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกอยู่อย่างนั้นการนับถือุทธศาสนาของของผู้นั้นก็ย่อมไม่สมบูรณ์แบบย่อมเศร้าหมองย่อมไม่เป็นหนทางพ้นทุกข์ไปได้ให้พึ่งพากันเข้าใจอย่างคนบางคนบางพวก ในสมัยปัจจุบันนี่ก็ยังมีอยู่พุทธก็นับถื อ, อพระอารามก็นับถือนั่นแหละฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปบวงสรวงเทพาอารักเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่สร้างศาลเจ้าไว้นั่นนะเข้าใจว่ามาีภูมิเทวดาไวอาศัยอยู่นั่น ภูมิเทวดานั่นก็ชอบกินเนื้อสัตว์ตามความเข้าใจของคนผู้นับถือนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะถึงขวาปีมาก็จึงมีพิธีฆ่าสัตว์ต้มแกงแล้วก็ไปเส้นสวงต่อสิ่งที่ตนเคารพนับถือนั้นอย่างนี้แหละ มันก็ยังมีเหลือหรออยู่อ่ะทุกวันนี้เพราะฉะนั้นควรพากันเข้าใจไว้การที่บุคคลเราดำเนินชีวิตแบบเดินทางสองแพ่งนะมันไม่มีทางแล้วมันจะถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายๆนะเอา้าทีแรกเดินไปทางขวาไปไปนึงพอเกิดสงสัยขึ้นมาเอา๊ะถ้าจะไม่ใช่แล้วมั้งทางนี้ วกกลับมาทางซ้ายเดินไปทางซ้ายหน่อยหนึงก็เกิดสงสัยขึ้นมาเดี๋ยวพอวกมาทางขวาอย่างนี้นะลองลองวาดภาพดูสิแต่มันจะถึงจุดหมายปลายทางได้ยังไงอ่ ะ, อะนั่นแหละเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนาสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นไม่ไม่เชื่อมองคนตื่นข่าว ให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อต่อการกระทาของตัวเองนี่นะตนจะมีความสุขได้ก็เพราะตนทำความดีอาศัยอำนาจแห่งความดีที่ตนทำนี่แหละอานวยความสุขให้ตนจะได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆก็เพราะการทำชั่วของตัวเองนะตัวทำชั่วเองนะกรรมชั่วนะ้มันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์เช่น บางคนเกิดมาแล้วมีอายุสั้นพลันตายง่ายเนี่ยก็ผู้โทษแต่ชาติก่อนนั่นได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลงไปนั่นแล้วกรรมเนี่ยมันก็มาสนองมาตัดรอนชีวิตให้สั้นยังไม่ทันถึงอายุไขาตายแล้วบุคคลที่จะมีโรคไขเบียดมีร่างกายไม่รู้จักหายรักษาอย่างไรก็ไม่หายอันนี้โทษแต่ก่อนก็ได้ทรมานสัตว์นี่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 ที่ได้เบียดเบียนสัตว์มาแต่ก่อนนะมันตามมาสนองเอาแต่คนเราไม่ได้คิดหรอกไม่ได้เชื่อหรอกโดยมากมันก็เชื่อไปลมล้มงรงไปตามรลัฐที่ภายนอกนู่นเลยเพราะฉะนั้นจึงได้มีหาหมอดูหมอเดากันจึงได้ไปเส้นสวงกันมันเป็นอย่างนั้นเส้นยังไงก็เส้นส่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 ถ้าให้พิสูจนได้เต็มที่เลยเป็นอย่างนั้นคนบางคนเกิดมาแล้วอย่างนี้นะมีผัวมีเมียมาแล้วเอาไม่ซื่อสัตย์ต่อกันในทางประเวณีบางทีเมียไปเล่นชู้จากผัวบางทีผัวก็ไปเล่นชู้จากเมียเข้าไปเกิดทะเลาะวิะวาทกันมูลนมันการเตชาติกรนนตนตนก็ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมนี่หละมานะ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 เป็นคนปากเกือลิ้นไก่สั้นพูดออกมาไม่เป็นสำเนียงหางเสียงเลยอย่างนี้นะท่านกล่าวไว้ว่าเพราะคนผู้นั้นแต่ใช่ก่อนนั้นชอบพูดเท็จพูดคำไม่จริงนะบ่อยๆเลยจนติดนิดสัยไม่ว่าชอบโกหกหลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนนะ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 <c oughs> แล้วบางคนก็เกิดมาในโลกนี้นะพอถึงเวลากรรมชั่วที่ตัวทำมาแตก่อนคือชอบดื่มสุราเมรัยครึ่งดองของเมาของเสพติดโทษต่างๆของนั้นมานั่นแหละกรรมนั้นติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นคนผู้นั้นก็เลยเกิดเป็นบ้าเป็นบ่อขึ้นมา หมอรักษายัางไงก็ไม่หายช่วยก็ไม่ได้อย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่ด่าดื่นไม่ใช่เหรออ่านั่นแหละโทษแห่งการดื่มของมืนเมาของซ่องเสพของเสพติดไท้โทษต่างๆอ่ามันติดตามมาสนองเอาอ่ะ <c oughs> <c oughs> บางคนอาจจะได้ทําอยู่กรคำชั่วดังกล่าวมานี่นะ แต่ว่าอาจจะได้เสวยผลของกรรมชั่วนั้นหมดไปแล้วก็มีพอเกิดมาชาตินี้ก็ถึงไม่กรรมชั่วนั้นจึงไม่ตามมาสนอง อ, อย่างนี้ก็อาจจะมีอยู่เป็นอย่างั้นบางคนนั้นกรรมชั่วนั้นมันยังไม่ได้ตามมาสนองเอาแต่ชาติก่อนก็ดีมันก็ตามมาสนองเอาชาตินี้ก็มีอย่างนี้แหละมันไม่แน่นอนเรื่องกรรมนี่นะ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 อปาราประเวทนิยกรรมนั่นแหละแปลว่ากรรมที่ให้ผลไปในโลกอื่นข้ามภพข้ามชาติไปนู่นเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจทุกคนให้สำรวจตรวจตาตนเองอยู่เสมอว่าตนนั้นได้มีนิสัยชั่วอะไรอยู่บ้างนิสัยที่มันจะบันดาลให้ไปทำชั่ว ห้าอย่างนั้นนะพูดกันอย่างง่ายง่ามันต้องตรวจดูตนให้รู้ว่าเมื่อรู้ว่าต น, นามีนิสัยที่จะชอบล่วงอินข้อใดข้อหนึ่งอยู่อย่างนี้นะแล้วถ้าว่าปรารถนาที่จะให้ตนมีความสุขไม่ต้องการให้ตนไปตกทุกข์ได้ยากแล้วก็พยายามเว้นนีอ่อย่าไปล่วง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 ตั้งแต่นี้ไปเข้าพเจ้าจักไม่ทำต่อไปโดยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงนันนี้ขอให้บาปกรรมที่พระเจ้าได้ลุมหลงกระทำมาแต่ก่อนนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปนี่เราต้องอธิษฐานใจละเลื่อยไปอย่างนั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วกรรมเก่ามันจะไม่หมดนะมันจะตามสนองไปในชาติต่อไปอีกเนี่ยที่ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเราภาเพียนพยายาม ละบาปแล้วบำเพ็ญบุญนะอย่างนี้อ่ะเพียรพยายามกระทำอุบายเงียบคายในใจดังที่แนะนำมานั่นแหละถ้าว่าเราไม่ทำอุบายเงียบคายในใจไม่อธิษฐานใจอย่างว่านั่นนะอยู่เรื่อยไปเฉยเนี่ยไม่ได้นะบาปกรรมนั้นมันไม่หมดแล้วแสดงว่าใจยังยึดมันไว้อยู่ยังไม่เบื่อมันจึงไม่ได้อธิษฐานใจละ นี่นะให้เข้าใจ <c oughs> นี่เพราะฉะนั้นเนยว่าสรุปใจความแล้วเรื่องศีลกับธรรมนี่นะต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนี่พากันเข้าใจศีล น, นั้นสนับสนุนธรรมบันนี้นะธรรมก็สนับสนุนศีลเหมือนกันนะ่ะธรรมนี่ได้แก่ฮิริโอตปธรรม ตั้งความละอายไว้ในใจเสมอละอายในการที่จะทำความชั่วตั้งอดตับะไว้ในใจกลัวกรรมชั่วที่ตนจะทำลงไปแนะ้วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่ให้มีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้วมันก็จะไม่ล่วงสินห้าข้อนั้นอย่างนี้แหละหรือว่าสินในพระวาติโมกผู้เป็นภิกษุสามนเณรก็ดีเป็นยังน้นทีนี้ ก็ให้มีสัจจะคือความจริงใจไว้ในใจของตนเมื่อตนได้ตั้งสัจจะลงไว้ว่าจะเว้นกรรมชั่วอันใดแล้วก็เว้นจริงๆไม่ให้สัจจะอันนั้นมันล้มละลายไปเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยบูชาสัจจะเลยถ้าทำได้อย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงจะละบาปกรรมความชั่วต่างๆ ได้แล้วก็ถึงจะทำคุณศนคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้ในอย่างหนึ่งก็เมตตากรุณาการเจริญเมตตาตั้งจิตคิดปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทุกวันทุกคืนคิดเพ่งพีนานลงไปจนว่าใจมันสงบลงนุ่นนะใจสงบลงด้วยอานาจแห่งเมตตาธรรม ได้อย่างนี้แล้วก็แน่นอนนะพนนนู้นั้นย่อมมีศีลบริสุทธิ์แท้นั่นศีลกับธรรมนะ่ะต่างถ่อยๆกัสนับสนุนซึ่งกันและกันดังกล่าวมานี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพ็วให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติกะระทาเอาในธรรมบรรยายที่แสดงมาแต่ต้นนี้นะ ได้ปาลกถึงความเห็นผิดความเห็นถูกนี่เป็นหัวข้อที่บรรยายมาไ <c oughs> อ้พวกที่มีความเห็นผิดนั่นก็เนื่องมาแต่ความที่ไม่ได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระเจ้าได้ไปเข้าหาสมาคมกับลัทธิอื่นศาสนาอื่นอพวกลัทธิอื่นเขาก็สอนให้เห็นผิด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 เมื่อบุคคลผู้มาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วก็ย่อมจะเป็นผู้ที่มีกายวาจาใจบริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินแล้วก็แสดงถึงผลแห่งกรรมชั่วที่บุคคลกระทำถึงห้าอย่างนั่นแหละ